Thank you. วนมีแต่มนเทน้าฝนโปรยโรยลาดังหนึ่งน้ำตาท่วมใจน้าวเน็บเจ็บกายพอทนหนาวหนกะมนครเราจะทน m i d n i g o o n sun, so. เลิ่งก